เริ่มต้นที่คำถามแรกก่อนนะครับถ้าหากว่าใครได้เคยอ่านประวัติชีวิตของอาจารย์กําพลเนี่ยก็จะถ้าหากว่าสังเกตดีๆจะเห็นนะครับว่าแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถนํามาคิดได้ว่านั่นเป็นข้อคิดข้อธรรมที่สําคัญทีเดียวนะครับช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่ชีวิตพลิกผันอย่างแรงนะครับนั่นก็คือระหว่างที่กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็กํำลังเรียนจากาลังจะจบไปเป็นครูพละ ลองนึกดูนะครับว่าคนจะไปเป็นครูภระานี่ร่างกายต้องกำยำแข็งแรงขนาดไหนนะครับแต่มาวันหนึ่งก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญของชีวิตนั่นก็คือต้องมาประสบอุบัติเหตุนะครับจนทําให้พิการสามารถขยับได้น่าจะตั้งแต่ไหายประลาลงมาดีก็จะขยับขยัยนร่างกายไม่ได้นะครับจะเห็นใช่ไหมฮะชีวิตก็จะพลิกผันไปอย่างแรงซึ่งส่วนหนึ่งมันก็แสดงให้เห็นความไม่แน่นอนในชีวิตของคนเรานะครับซึ่งเราจะไม่รู้เลยว่า ชีวิตที่เรากําลังเดินไปอยู่ทุกวันนี้นะครับอาจจะดูเหมือนว่าสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่เกิดนะครับจนแม้กระทั่งนั่งอยู่ตรงนี้ก็อาจจะยะังดังดูดูเหมือนว่ามันสมบูรณ์แบบอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่เราเดินออกไปจากที่นี่แล้วมันจะมีจุดอะไรหรือเปล่าที่มันจะเปลี่ยนความสมบูรณ์แบบให้เป็นความบกพร่องได้ตรงนี้ขอกลับเรียนถามพระอาจารย์กับว่าแล้วเราในฐานะของคนเรานี้เราควรมองสิ่งความไม่แน่นอนแบบนี้อย่างไรบ้างครับ คือเราก็ต้องตระหนักอยู่เสมอนะว่าความแม่แน่นอนของชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับเราและกับทุกคนที่เรารักแล้วก็กับทุกสิ่งที่เราหวงแหนครับที่เมื่อกี้พระคุณเจ้าท่านได้พูดถึงบทพิจารณาที่ว่าอภินิหาปปตเวกเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาแต่ร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้และเราจะต้องพัดพลากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นเนี่ยอาตมาคิดว่าถ้าเราวิจารณาตรงนี้อยู่เสมอเนี่ยสี่ข้อแรกเนี่ยมันจะทําให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและทําให้เราตระหนักว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้กับชีวิตของเราอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้กับสิ่งที่เรารัก คนที่เราผูกพันด้วยครัถ้าว่าเราตระหนักอยู่ถึงนี้อยู่เสมอเนี่ย<ม>พอมันเกิดขึ้นแบบปุบปั๊บเนี่ยหรือค่อยๆเกิดก็ตามเนี่ยเราจะทําใจยอมรับได้<ม>ส่วนใหญ่เนี่ยคนไม่ได้เตรียมใจเรื่องนี้ไม่ได้ระลึกนึกถึงเดิน อ, อยู่เสมอเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเกิดขึ้นเนี่ยก็ยจะยอมรับไม่ได้ครับทําไมต้องเป็นชั้นใช่ไหมหลายคนเนี่ยจะจะบ่นอย่างนี้จะปวดโ อ, ดโอยโดยเพราะพบ ว, ว่าตัวเองเป็นมะเร็งพบ ว, ว่า ตัวเองเกิดที่การขึ้นมาทำไมต้องเป็นชั้นชั้นทำความดีชั้นทำบุญทำกุศลแต่ทำไมถึงต้องมาเกิดกับชั้นเนี่ยครับอัตมาคิดว่อตรงเนี้ยมักจะเกิดกับคนที่ไม่ได้เตรียมใจไว้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีความประมาทเป็นเจ้าเรือนเมื่อมีความประมาทเป็นเจ้าเรือนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดอะไรขึ้นมาก็ทำใจไม่ได้ครับแต่บางที บางทีความประมาทแบบนี้มันก็แล้วแต่คนนะครับอาจารย์บางคนนี้ก็โดนกระตุกเข้าแสลงเชื่บางคนนี้ก็อาจจะโดนกระตุกกันเบาๆนะครับแล้วในระหว่างที่เรายัางบางคนยังเจอยังไม่ทันเจอความประมาทการฝึกใจทุกวันนี้เราจะวางใจอย่างไรครับเพื่อที่จะให้เรารู้จักยอมรับแล้วก็รับได้เมื่อวันหนึ่งเราเจอเจอความประมาทที่เขามาสัมผัสชีวิตเราอาจจะทั้งเบาแล้วก็ทั้งแรงครับคือจริงๆเนี่ยสิ่งที่ไม่ถูกใจเราหรือความพลาดพลาดสูญเสียเนี่ย หรือสิ่งที่มาชวนให้เราขัดใจเกิดขึ้นตลอดเวลาเกิดขึ้นทุกวันอวันนี้ก็เหมือนกันรถติดใช่ไหมฝนตกใช่ไหมของหายไอ้ทั้งหมดนี้เนี่ยมันรู้แล้วแต่เป็นสัญญาณเตือนว่าอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงหรือสิ่งที่จะไม่เป็นไปดังใจเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าเราไม่มัวแต่หัวเสียไม่โมวแต่หมุดหงิดไม่โมวแต่คลั่งครวญเสียดายเราลองมองว่าเนี่ยคือสัญญาณเตือนนะว่าอะไรอะไรก็ไม่แน่ใช่ไหม ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสอนให้เรารู้จัก ย, ยอมรับค ร, บรถติดก็ยอมรับใช่ไหมมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเรายอมรับรถติดไม่ได้เนี่ยถ้าเจอวิกฤตป่วยไข่เนี่ยเราจะยอมรับได้อย่างไรเงินหายของหายเรายอมรับไม่ได้เราบ่นตีโพยติพายแล้วถ้าเกิดว่ า, าเราสูญเสียทั้งหมดเลยเพราะว่ากิจการล้มละลายหรือว่าต้องเจ็บต้องป่วยหนักเราจะยอมรับได้อย่างไร <rapid> ถ้าเรามองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ย ซึงมีทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจถ้าเรามองว่าสิ่งที่ไม่ถูกใจที่เกิดขึ้นกับเราทึ่เ่งทางพาร์ได้วันิธารณมเนี่ยมันคือสิ่งที่มาทดสอบเราเป็นสิ่งที่มาฝึกเราเป็นสิ่งที่มาเตือนเราให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่มาฝึกเราให้รู้จักยอมรับกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเราทําอย่างนี้ไปบ่อ ย, ยเนี่ยเราจะมีภูมิต้านทานต่อความผันผวนเปลี่ยนแปล่ เมื่อเกิดความแปรปรวนหนักๆขึ้นเกิดเหตุร้ายที่แรงๆขึ้นเนี่ยเราจะยอมรับมันได้มากขึ้น<ม>เพราะว่าเราได้ฝึกมันมาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่เวลาเราคนเราเวลาเจอความทุกข์นะครับอาจารย์ก็จะมีคนมาปลอบใจเรานะครับเช่นเาบอกว่าอย่าคิดมากนะให้มองโลกในแง่บวกบ้างนะครับคือพอพูดแบบนี้เวลาคนที่อาจจะ ยังไม่เคยเจอใช่ไหมครับพอพอมาเจอสถานการณ์แบบนี้เข้าก็อาจจะนั่งนึกอยู่ในใจว่าแล้วกูจะไปมองแง่บวกได้ยังไงยด็กมันทุกข์สักขนาดนี้ใช่ไหมครับแเราจะไ ป, ปะเปลี่ยนอะไรสักขนาดไหนอย่างขนาดอาจารย์กำพลตอนที่ท่านทุกข์มากๆากท่านยังใช้เวลาร่วมเป็น10ปีนะครับกว่าที่จะวันนึงจะมาเจอหลวงพ่อคำเขียนแล้วก็ให้หลักคิดบางอย่างในการฝากข้ามไปได้ตรงนี้แสดงว่าแต่ละคนช่วงเวลาในการค้นพบมันก็ต้องมีสั้นและมียาวไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็มี คนที่ยอมรับความเป็นจริงได้ไม่เหมือนกันเนี่ยฮะแล้วเวลาคนเราเราจะเราจะคิดอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ครับอาจารย์บางคนบอกว่ามองโลกในแง่บวกสิบางคนบอกมองโลกในตามความเป็นจริงผิีแบบไหนคือวิธีการที่ถูกครับมองได้ทั้งสองอย่างนะมองสิ่ ง, งต่างๆตามความเป็นจริงก็ได้ว่าเออเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาเรามองแบบนี้ก็ได้ว่าที่อย่างที่อย่างที่เกิดขึ้นรถติดก็เป็นธรรมดาเงินหายก็ธรรมดา เพื่อไม่กดไลค์ก็ธรรมดาเขาคอมเมนต์เสียหายก็ธรรมดาใช่ไหมเพราะว่าผู้เจ้าก็บอกอยู่แล้วว่าโลกธรรมเนี่ยก็คือว่ามีลาบก็เสริมลาบมียศก็เสริมยศครับสารเสริญกับนินทารมเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันชวนให้ขัดใจเนี่ยเราก็มองเป็นธรรมดาออันนี้ก็เป็นวิธีมองแบบหนึ่งเจ็บป่วยก็ธรรมดาอมองได้นะฮะหรือจะมองว่ามองแง่บวกก็ได้ว่าเอออย่างที่อาตมาพูดเมื่อกี้เนี่ย ก็คือเป็นการมองแง่บวกว่าไอ้สิ่งแย่ๆที่มันเกิดขึ้นเรืออนิถารลมเนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรกับเราอมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เคยบอกพระนันทิยะซึ่งต่อมาเป็นพระอรหันต์ว่าบุคคลที่รู้จักหาประโยชน์จากอิทธารลมและอนิถารล์พระผู้มีพระภาคเจ้าสารเสริญพูดนั้นว่าเป็นบันทิตออนิทธารลมก็คือรูปร่กลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจก็คือเหตุการณ์ที่แย่ๆเนี่ย นะซึ่งไม่มีใครชอบเสื่อมราบเสือมยบสลนินทาหรือว่าทุกข์พวกนี้เกิดนิถารมรวมทั้งความโกรธความไม่พอใจคเราต้องรู้อจักหาประโยชน์จากมันว่ามันมีอะไรดีบ้างมันบอกอะไรเราบ้างที่เป็นธรรมะแล้วมันสอนใจอะไรเราบ้างอันนี้ตมาก็ถือว่าเป็นการมองแง่บวกนะคือรู้จักหาประโยชน์กับสิ่งนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าก็เห็นด้วยสนับสอน ล้วสิ่งที่อาจารย์กัพลก็ทําอย่างนี้แหละอาจารย์กัพลบอกอยู่เสมอว่าเพราะเจอทุกข์นั่นสิถึงรู้จักถึงเห็นทางคนทุกข์เพราะเห็นทุกข์จึงเห็นทางคนทุกข์ซึ่งก็ตรงกับที่หลวงพ่อคำ เ, เขียนพูดว่าเมื่อเห็นทุกข์ยอมทุกข์ใช่ไหมทุกข์เนี่ยมาเพื่อสอนเราให้เห็นว่ามันมีจุด่อนอย่างไรครับมันมีทางคนทุกข์อยู่ในตัวทุกข์อย่างไรบ้าง ถ้าเราถ้าเราไม่เห็นเจอทุกเราเป็นทุกเลยเนี่ยครเราก็มืดแปด้านเพอๆใจเราก็ไปอบายเลย<ม>ก็คือเราโกรธเราขับแค้นเราโกรธเราขุนเคืองอันนี้ละวัดใจเราเป็นอกุศลไปอบายแล้วอบายทั้งในแง่ที่ว่าจิตขุนมัวแล้วถ้าเกิดตายไปจริงๆตอนนั้นก็อบายจริงๆเลยคือไปทุกติภพแต่ถ้าเกิดว่าเราเรามีเราเจอสิ่งที่มาชวนให้ขัดใจแต่ว่าเรา ไม่เป็นผู้ทุกข์เราเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจความกลัวความขุ่นเคืองนะฮะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการพ้นทุกข์ระดับหนึ่งหรือถ้าเราเห็นไปถึงขั้นว่าโอ้ที่ทุกข์นี่เพราะยึดติดถือมัน่นให้ความทุกข์เนี่ยมาสอนให้เราได้เห็นเลยนะว่าที่ทุกข์เพราะยึดติดถือมัน่นและไม่ทุกข์ได้อย่างไรก็ปล่อยวางใช่ไหมเพราะปล่อยวางเนี่ยมันก็พ้นทุกข์ ใช่ไหมเพราะฉนั้นแต่มาคิดว่าการมองว่าทุกอย่างเป็นธรรมดาอันนี้ก็ถือเป็นการมองความเป็นจริงแบบหนึ่งอการมองในแง่บวกก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยทําให้เราสามารถจะยกจิตอยู่เหนือทุกได้ครับคือกายยังทุกอยู่นะแต่ว่าใจไม่ทุกแล้วเงินหายเอาคืนไม่ได้แต่ก็หายแต่ของเสียแต่ของใจไม่เสียอืครับถ้าแตามาคิดว่าทั้งสองอย่างเนี้มันก็ทําได้ทั้งนั้น และแต่ว่าใครถนัดนะแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะก็ต้องรู้จักมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงคือเห็นทะลุไปถึงขั้นนิจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นไปถึงขั้นนั้นเนี่ยนี่คือการมองเห็นถึงลักษณะความเป็นจริงอย่างถึงที่สุดซึ่งก็ทําให้เราไม่ทุกข์ตั้งแต่แรกหรือถึงเราทุกข์เราก็ปล่อยเราก็วางได้ครับก่อนที่จะไปถึงอาจารย์ทัศนีผมขอถามพระอาจารย์ นอกเรื่องสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับเดี๋ยวเห็นนี้เห็นก็บอกว่าคนเขาทุกข์กันเยอะใช่ไหมครับตอนนี้เราพูดถึงทุกข์เพราะป่วยไข้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องป่วยไข้แค่ น, นเมื่อกี้ที่พระอาจารย์บอกว่าพอเราเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วคนกดไลค์น้อยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มทุกข์แล้วใช่ไหมครับคือคนทุกวันเนี้ทุกข์กายน้อยน ะ, <ฮ>ะคนทุกวันนี้ไม่ค่อยรู้จักความหิวไม่ค่อยไม่ค่อยเจอเรื่องที่มากระทบกายให้เป็นทุกข์ให้เกิดทุกขเวทนาไปไหนก็ไม่เหนื่อยมีรถใช่ไหม บางทีวันไม่ต้องเจอแดดเลยก็ได้เพราะ<ม>อยู่ในห้องแอร์แต่ว่าที่ทุกข์กันมากเนี่ยคือทุกข์ใจใช่ไหมทุกข์เพราะเจอสิ่งที่ใจเรามันไม่ได้กระทบกายเลยนะแต่มันล้วนแต่กระทบใจ<ม>ใช่ไหมอาตมาแค่นี้คือปัญหาคนสมัยนี้นะ<ม>ก็คือว่าทุกข์กายน้อยแต่ทุกข์ใจมากและพอถึงเวลาทุกข์กายจริงๆเพราะความเจ็บป่วยเนี่ยจิตเนี่ยก็เข้าถึงภาวะวิกฤตเลยอื<ม>ก็คือว่า มันทั้งป่วยทั้งป่วยกายแล้วก็ป่วยใจด้วยและป่วยใจเนี่ยบางทีมันหนักกว่าป่วยกายมันไม่ใช่แค่ตัวที่ซ้อนอยู่บนความป่วยกายเท่านั้นนะแต่มันเป็นเหมือนกับหินที่กดทับลงมาป่วยใจเนี่ยหนักกว่าป่วยกายนะฮะหลายคนเนี่ยเขาเจอความเจ็บป่วยที่หนักแต่ใจเ้าไม่ป่วยเขายิ้มได้ แต่คนบางคนป่วยกายนิดเดียวเนี่ยแต่พอป่วยใจมันทำให้ถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้ป่วยจนกระทั่งต้องไปหาหมอแ <Okay. S 2> ม้แตมบางที่ปัญหาคนสมัยนี้คือความป่วยใจมากกว่าความทุกข์ใจมากกว่าครับมาทางอาจารย์น้องมาครับในฐานะมาในฐานะคารวาสนะครับตอนที่อาจารย์น้องเจออาจารย์กำพลครั้งแรกๆตอนนั้น อาจารย์น้องคิดอย่างไรก่อนครับเพราะเห็นบอกว่าตอนที่เจออาจารย์คำพลตอนนั้นก็ยังยังไม่รู้จักใช่ไหมครับว่าอาจารย์คำพลเป็นใครอย่างนี้นะฮะแล้วตอนเจอแบบแปลกในฐานะของขาราวาตคนหนึ่งคิดยังไงบ้างครับน้องโขอากาศอาจารย์ค่ะตอนที่เจอท่านอาจารย์คำพลครั้งแรกจําได้ว่าเจอที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตอนนั้นพระอาจารย์สมใจนะคะท่านยังเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ราชมงคลอยู่ ท่านอาจารย์กำพลได้ไปบรรยายธรรมะสิ่งที่เจอครั้งคือไม่เคยเจออาจารย์กำพลเลยแต่เจอท่านก็คือว่าท่านเบิกบานแล้วก็ชอบเสียงหัวเราะของท่านนะคะแล้วก็ท่านมีความสดใสให้เราเห็นแล้วธรรมะอันแรกเลยที่ได้จากอาจารย์กำพลตอนนั้นที่ได้คุยธรรมะลอมวงกลุ่มเล็กๆนะคะก็ ท่านก็ถามว่าเราทำอะไรอยู่เราก็บอกเราก็ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างท่านก็ได้ให้ข้อคิดในการที่จะเอาไปปฏิบัตินะคะอันนี้คือครั้งแรกที่เจอท่านก็รู้สึกว่าเราได้เห็นขั้นตอนในตั้งแต่ยกอาจารย์ลงจากรถเข็นอาจารย์เข้ามาเวลาจะเอาอาจารย์ขึ้นอาจารย์ขึ้นรถเนี่ยมันยุ่งยากขนาดไหน นะคะแต่ว่าทําไมอาจารย์ถึงมีพลังที่ยิ่งใหญ่ที่เอาสิ่งดีๆมาแบ่งปันให้กับพวกเราได้อันนี้ก็คือจุดประกายให้เราได้สนใจในตัวของอาจารย์หลังจากนั้นก็เริ่มค้นหาว่าอาจารย์คือใครก็ไปได้ซีดีของอาจารย์มาเป็นประวัติของท่านอาจารย์นะคะที่ว่าท่านจบการศึกษาอะไรแล้วความเป็นมาเป็นไปอย่างไรท่านถึงพิการแล้วจุดเปลี่ยนของท่านคืออะไร อันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เราได้เห็นแล้วก็ได้นําซีดีของท่านอาจารย์นะคะไปเผยแพร่ให้กับญาติของเราที่มีความพิการแล้วก็มีความทุกข์ใจอยู่อันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักอาจารย์นะคะครับผมจําได้ว่ารายการคนข น, น, นที่เคยไปทําเรื่องของอาจารย์มีสัก5น่าจะกเกิน5ปีขึ้นไปนะครับผมจำได้ว่ช่วงนั้นอาจารย์อาจจะก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงมากแต่ก็ยังยังแข็งแรงพอที่จะเดินทางไปที่นนท์ที่นี่อยู่ เราจะเห็นว่าเวลาอาจารย์จะไปบรรยายธรรมที่ไหนเนี่ยสมมุติว่าจะไปต่างจังหวัดเนี่ยจะต้องจอดรถพักเป็นระยะระยะนะครับเพื่อที่จะปรับร่างกายเพราะว่าไม่สามารถที่จะนั่งนานได้หรือแม้กระทั่งมาบรรยายธรรมที่ไหนเนี่ยจะต้องมาก่อนเวลาเพราะว่ามาถึงนี่จะต้องให้ลูกศิษย์นี่ให้ล้มตัวลงนอนก่อนใช่ไหมครับเพื่อที่จะยืดเส้นไม่งั้นเส้นเส้นจะติดอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น การไปในแต่ละที่เนี่ยคือต้องใช้ทั้งใช้ทั้งความเพียรใช้ทั้งความพยายามมากเลยนะครับในการที่จะเข้าไปไปปฏิบัติหน้าที่เป็นอุปกรณ์ของพระธรรมความเพียรตรงนี้ในฐานะของคนคนหนึงที่เราสนใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมการเรื่องของการหลุดพ้นเหมือนกันอาจารย์น้องเห็นแล้วเป็นแรงบันดาลใจยังไงบ้างค่ะหลังจากที่ไดเ้เจออาจารย์ครั้งนั้นก็มีโอกาสดีนะคะที่หลวงพ่อคาเขียนได้เมตตามา เป็นกําลังใจในการจัดธรรมะที่สวนพันดาวและเช่นเดียวกันท่านอาจารย์กําพลก็ได้เมตตาไปบรรยายธรรมะให้ก็เหมือนกับที่คุณประสานบอกคือรถจะต้องมาถึงก่อนแล้วอาจารย์จะต้องยืดตัวนะคะเพื่ อ, เ พ, อเพื่อที่จะบรรยายให้เราหนึ่งชั่วโมงเป็นการเตรียมตัวนะคะเพ อ, อถึงตรงนี้นะคะนอกจากจะเห็นกําลังใจของอาจารย์แล้วแง่มุมอีกอันหนึ่งที่เราเห็น ได้สัมผัสเอาอาจารย์ก็คือความรักคุณแม่อืคุณแม่ของอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยในท่านอาจารย์มาดูแลแล้วได้เห็นความเพื้อกูลของครูบาอาจารย์หลวงพ่อคําเขียนนะคะท่านอาย์ทรงศีลท่านจะไปเยี่ยมแล้วภาพที่เราได้เห็นก็คือผู้หญิงที่ไม่สบายท่านหนึ่งนอนอยู่บนเตียงแต่ว่าหน้าตาของท่านสดใสอ่ะค่ะ หน้าตาของท่านสดใสแล้วอาจารย์ก็จะพักอยู่ห้องข้างๆก็จะเข็นรถเข้ามามาจับมือคุณแม่มาให้กำลังใจอันนี้คือภาพที่มันประทับอยู่ในใจทุกครั้งที่ได้มีโอกาสติดตามเวลาหลวงพ่อมาแล้วทราบว่าอาจารย์กำพลแล้วก็คุณแม่อยู่เชียงใหม่หลวงพ่อท่านมักจะไปให้กำลังใจก็จะได้เห็นมุมมองที่เป็นคนกระตันยูของอาจารย์ ก็หลังจากที่เราทราบว่าจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ธรรมะของอาจารย์เนี่ยจากคุณพ่อครับนะทึ่งเป็นต้นบุญให้อาจารย์ได้รู้จักธรรมะได้รู้จักหลวงพ่อคําเขียนแต่หลังจากที่อาจารย์ได้มากล่อมกล่าวแล้วอาจารย์กลับไปเครื่อคุณคุณแม่คุณพ่ออันนี้คือเห็นบ่งบอกที่งดงามแล้วก็ได้น้อมตัวนั้นนะคะว่าเรามีต้นแบบที่ดีเราควรจะทํากบุพการลีของเราร บ, บ้างถ้ารเรามีโอกาสเรายังมีโอกาส จนกระทั่งอาจารย์ได้ส่งมอบคุณแม่อย่างงดงา ม, มเมื่อท่านสิ้นชีวิตลงนะคะอันนี้ก็คือความประทับใจบแล้วก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงตรงที่เห็นอยู่ตรงหน้าค่ะครับพระอาจารย์ครับถ้าฟังจากอาจารย์น้องเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ดีแล้วนั่นหมายถึงว่าคนเรานี่เวลาถ้าเราฝึกตนฝึกตนเองจนกระทั่งมีความมั่นคงแล้วก็แข็งแรงมากพอไม่ได้หมายถึงว่าเราพาตัวเองรอดเท่านั้นเรายัางช่วยให้คนอื่นรอดได้ด้วยนะครับ อ่าใช่อ่าทั้งหมดนี้ก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนนะแล้วก็ถ้าว่าคนเราเนี่ยสามารถที่จะอ่าเข้าถึงความสุขแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะมอบให้ความสุขให้กับผู้อื่นได้ทั้งที่อาจารย์กำพลเนี่ยพูดถึงความทุกข์แล้วเนี่ยท่านก็ทุกข์มากนะทุกข์กายนี่หลายคนอาจจะเข้าไม่ถึงของความทุกข์กายของอาจารย์กำพลแต่ว่าท่านก็ สามารถที่จะรักษาใจให้ปกติได้สิ่งที่พระเจ้าสอนว่าป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจหรือสิ่งที่พระเจ้าสอนท่านนักูนบิดาว่าแม้กายป่วยอย่าให้ใจป่วยเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คำสอนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเห็นได้สัมผัสได้จากกระเจางำพลนะแล่ทุกวันนี้เนี่ย หลายคนเนี่ยเวลาเห็นจังกําพลก็จะรู้สึกได้สัมผัสได้ถึงความแจ่สายเบิกบาน mm hmm. นะเข้าไม่ถึงความทุกข์ทางกายแต่ธรรมาเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะนึกไม่ถึงว่าคนที่ยิ้มแย้มแจ่สายเบิกบานเนี่ยถอยหลังไปสิบยี่สิบปีที่แล้วหรือสาสิปีที่แล้วเป็นคนที่ทุกข์มาก mm hmm. อัตมาได้มีโอกาสได้ดู ดูต้นฉบับของอาจารย์กำพลทั้งที่พิมพ์แล้วและที่กำลังจะพิมพ์ตอนนี้มีเพื่อนเนี่ยไปสัมภาษณ์อาจารย์กำพลตั้งแต่สมัยที่ย้อนหลังตั้งแต่สมัยที่ท่านเพิ่งเกิดแล้วก็เป็นเด็กแล้วก็เติบโตมาครับจนกระทั่งถึงตอนที่ป่วยแล้วก็ข้ามพ้นความป่วยความป่วยกายได้เนี่ยอาจารย์กำพลคนเป็นคนที่มีความทุกข์มากนะฮะโดยเพราะคือป่วยตั้งแต่เออทุกข์ตั้งแต่ก่อนที่จะก่อนที่จะป่วย พิการแล้วเป็นคนที่ทุกข์มากเพราะว่าความยากจนความที่ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนแล้วก็มาเจอเค r o s s c u m c u m s a d พิการสิ่งที่อาจารย์กันได้พูดในการให้สัมภาษณ์เนี่ยมันบ่งบอกถึงความทุกข์อย่างที่คนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถจะเข้าใจได้<ม>ใช่ไหมแล้วเราก็นึกไม่ออก น, นะว่าคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเขาทุกข์มากเลยอืมแล้วเขาเครียดมากเลย เหมือนกับว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือคนละคนนะอาตมาแค่นี้เป็นเรื่องที่มันน่าจะให้แรงบันดาลใจกับเราว่าคนที่ครั้งหนึ่งซึ่งเคยทุกข์อาจจะทุกข์มากกว่าหลายคนที่อยู่ในที่นี้เนี่ยหลายคนที่บอกว่าฉันทุกข์ฉันทุกข์เนี่ยอาตมาว่าถ้าหากว่าย้อนกลับไปรับรู้ถึงความทุกข์ของอาจารย์กำพลสมัยเมื่อสิบยี่สิบปีเมือ่อสักยี่สสาสปีที่แล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าความทุกข์ของตัวเองเนี่ยเทียบไม่ได้กับอาจารย์กาพล แต่อาจารย์กมพลเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามความทุกข์เหล่านั้นได้หรือว่าสามารถที่จะพลิกหน้ามือเป็นหลังพลิกหลังมือเป็นหน้ามือได้เนี่ยอาตมาคิดเป็นเรื่องที่น่าสัจจันมากนะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยโดยลักษณะเป็นสิ่งที่บ่งบอกหรือประจักษ์พยานถึงอนิสงค์ของธรรมะว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนชะตาชีวม น, นี่นะให้พลิกผันไปได้อย่างไม่น่าเชื่อซึ่งมันทําให้เราได้เชื่อเลย ว, ว่าคนเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้กรรมเท่านั้น S <S <an> นะแต่ว่าเราสามารถจะสร้างกรรมใหม่ได้ด้วยถ้าเราจําน้นต่อความพิการแล้วเราก็บอกเนี่ยท่านเกิดมาเพื่อใช้กรรมเราก็จะไม่มีทางค้นพบทางออกจากความทุกข์ได้แต่อาจารย์กำพลเนี่ยท่านได้ไม่ใช่คิดว่าเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมแต่เราสามารถจะสร้างกรรมใหม่ได้ครับโดยสปฏิบัติธรรมโดยสสมาธิภาวนานเนี่ยก็สามารถจะทำให้ท่านดุจพ้นจากความทุกข์อันนั้นได้แล้วพอหลุดพ้นจากความทุกข์เข้าถึงความสุขความแจ่มใสความเบิกบาน ก็สามารถจะแผ่ให้กับผู้อื่นได้จนกระทั่งหลายคนเนี่ยพูดว่าเนี่ยมีมีคนมึงพูดเลยนะว่าถ้าเขาพิการอย่างกระจังกําพลนะแล้วเขามีความสุขอย่างกระจังกระผลนะเขาเอาเขาเลือกที่พิการอยกระตังกระผลคนที่พูดเนี่ยก็มีอวัยวะครบสาสองเดินเหินไปไหนมาไหนได้ไปชอปปิ้งได้นะไปเที่ยวห้างได้ไปต่างประเทศก็ได้แต่เขามีความทุกข์และเขาพร้อมที่จะแลกอ่า พร้อมที่จะเป็นอย่างอาจารย์กำพลในแง่ร่างกายถ้าเขาสามารถจะมีความสุขแบบอาจารย์กำพลได้ครับแต่สมาคิว่าไม่ต้องรอพิการอย่างอาจารย์กำพลหรอกรที่คุณยังทำอะไรได้อย่างยิงยันนั่นแหละใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ให้เต็มที่อย่าใช้ศักยภาพที่มีอยู่เพียงแค่หเปอร์เซ็คุณใช้แค่ยี่สิเปอร์ซนเนี่ยคุณก็สามารถจะไปถึงอย่างอาจารย์กำพลหรืออาจจะยิ่งกว่าก็ได้ครับ แต่ก็มีคนจนํานวนไม่น้อยนะครับอาจารย์เวลาเจอความทุกข์เสร็จบางทีมันเหมือนมันเหมือนเราจะยอมจําน้นกันง่ายๆฮะเช่นยอมจําน้นก็ด้วยเหตุผลที่ว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องเวรกรรมหรือมั่งจะไปอะไรได้อะไรแบบนี้นะครก็มีคนจนํานวนไม่น้อยที่ใช้ตักกะหลักคิดเข้ามาตรงนี้แล้วมุมตรงนี้เราควรมองอยังไงครับละมวลควรมองว่ามันเป็นเรื่องบุญเรื่องกรรมหรือมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เราจะสามารถพัฒนาตัวเราให้ฝากห้ามสิ่งเหล่านี้ไปได้ครับยอมรับไม่ได้แปลว่ายอมแพ้หรือยอมจําน้นนะ เช่เราป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยเราก็ยอมรับเราไม่ตีโพยตีพายไม่อดโอย <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าไม่ยอมไม่ยอมจำหนนก็หมายความว่าถ้ามันจะรักษาได้ก็รักษา <c oughs> เหมือนกับบ้านหลังคารั่วปลวกชอนชัยเราก็ไม่ทุกข์เราก็ยอมรับไม่โบนไม่บวยวายไม่ตีโพตีพายแต่ก็ต้องซ่อม <c oughs> ยอมรับไม่ได้แต่ว่ายอมจำนวนหลายคนไปเข้าใจว่ายอมจำนวนคือปล่อยวางซึ่งไม่ใช่หลวงพ่อชาติเคยเล่าว่าสมัยที่วัดหนองประพงษ์ยังไม่ได้เจริญมากเนี่ยกุฏิพระส่วนใหญ่ก็มุงจากแล้ววันนึงก็เกิดพายุมีกุฏิหลังนึงเนี่ยหลังคาจากถูกพัดหายไปครึ่งหนึ่งบอกว่าพระในกุฏินั้นก็ยังยังนั่งภาวนาอยู่ หลวงพ่อชาติถามว่าทาไมไม่ซ่อมหลังคาพระท่านบอกว่าผมกำลังปล่อยวางครับหลวงพ่อชาติบอกว่าไอ้ปล่อยวางแบบคุณนี่มันต้องใช้ปัญญามันไม่ใช่วางเฉยแบบวัวแบบควายนะ <c oughs> ใช่ <c oughs> คือปล่อยวางเป็นเรื่องของทำจิตแต่ทำกิจก็ต้องทำพุทธศาสนาสอนให้ทำจิตและทำกิจทำจิตคือยอมรับแต่ถ้าอะไรที่มันทำได้รักษาได้ แก้ไขได้ก็ต้องทำใช่ยอมจำนวนแปลว่าคุณทําจิตดีแล้วแต่คุณไม่ทํากิจใช่ไหมต้องทํากิจ ด, ด้วยคุณรักษาคุณป่วยคุณยอมรับอันนี้เรียกว่าทำจิตแต่คุณก็ต้องรักษาตัวออกกาลังกายปรับอาหารใช้ช่วยให้มีถูกอนามัยอันนี้เรียกว่าทำกิจบ้านหลังคารั่ว ทำจิตคือปล่อยคือปล่อยวางไม่ทุกข์แต่ว่าคุณก็ต้องซ่อมด้วยนั้นอาตมาคิดว่าเนี่ยส่วนใหญ่ยังเข้าใจพุทธศาสนาไม่ถูกต้องไปเข้าใจว่าปล่อยวางคือทํากิตไปเข้าใจว่าปล่อยวางเนี่ยก็คือไม่ทํากิตปล่อยวางคือทําจิตแต่ว่าทํากิตก็ต้องทําด้วยใช่มฮะเพื่อแต่ว่าในบางสาการเนี่ยมันทําได้ไม่ได้แล้วเช่นคนรักตายเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้แล้ว เราก็ต้องทําใจรูปเดียวใช่ไหมแต่ว่าอะไรที่เรายังยังทำได้ก็ต้องทําเพราะฉะนั้นในปล่อยยอมรับเนี่ยต้องต้องเน้นว่าไม่ใช่แปลว่ายอมจำนนใช่ไหมยังมีอะไรที่คุณถ้าคุณยังทําได้ก็ต้องทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นทําจิตกับทํากิจต้องไปด้วยกันครับพูดถึงพระอาจารย์บอกทำจิตกับทําจิตผมเข้าใจว่าตอนนี้สถานการณ์ของอาจารย์น้องนี่ กำลังเจอเรื่องการทำจิตทากิตไปพร้อมๆกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้กำลังดูแลคุณพ่ออยู่ใช่ไหมครับครับก็ช่วงนี้คุณพ่อไม่สบายอะค่ะก็อายุกันเยอะละกำลังจะเก้าสิบตรงเดือนเมษานี้นะคะคุณพ่อก็เป็นหลายโรคมากเลยนะคะก็ทำในฐานะผู้ดูแลลูกๆหลายคนช่วยกันดูแลคุณพ่อเราก็ เห็นความเจ็บป่วยของพ่อแล้วก็เห็นความเจ็บป่วยของครูบาอาจารย์นะอย่างเช่นท่านอาจารย์กำพลท่านเป็นมากกว่าคุณพ่ อ, อหลวงพ่อคําเขียนท่านเป็นมากกว่าคุณพ่อแต่ท่านสดใสอะนะคะท่านเบิกบานแล้วมาเทียบกับคุณพ่อซึ่งทําบุญเยอะนะคะแล้วก็อทอดผ้าป่าทอดกรินตั้งกองทุนอะไรต่างๆมากมาย แล้วเวลาชวนพ่อปฏิบัติธรรมพ่อก็บอกว่าพ่อเจริญสติอยู่โดยใช้สติในการทำงานพ่อชอบทำอะไรต่างๆไม่เท้าไม่เกาหลังอะไรอย่างเงี้ยพ่อบอกว่าพ่อใช้สติอยู่พ่อสวดมนต์พ่อไหว้พระแต่ว่าช่วงขณะนี้ในขณะที่พ่อนอนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลขณะเนี้ยพ่อทุกข์อะค่ะท่านจมอยู่ใน ความทุกข์ท่านท่านไม่ได้สดใสแล้วก็ท่านต้องการออกจากความเจ็บปวดก็ทําให้เราสะท้อนเห็นนะว่าการเตรียมตัวก่อนที่จะเจอวิกฤตอย่างนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเรามีหลักฐานที่เห็นอย่างชัดเจนก็คือตัวอย่างของครูบาอาจารย์ที่ท่านก้าวข้ามแต่ท่านจะก้าวข้ามไปตรงนั้นได้ไม่ใช่ว่าทําได้ง่ายๆคงต้องฝึก เหมือนกับท่านอาจารย์กำพล16ปีแล้วหลังจากนั้นท่านฝึกท่านจึงมีวันนี้วันที่พ้นทุ ก, ก่อนที่จะสิ้นใจเนี่ยนะคะก็ทำให้สะท้อนว่าเรายังมีโอกาสที่จะเลือกได้เราจะเลือกแบบไหนตัวอย่างของครูบาอาจารย์มีให้เห็นแล้วตัวอย่างของคุณพ่อที่ใกล้ชิดมีให้เห็น เราพยายามเดียวยาคุณพ่อดูประคับประคองท่านตามตามการสังเกตของเราแต่และ ว, วันว่าอาการของท่านเป็นอย่างไรนะคะได้มีโอกาสว่าท่านหลับตลอดเวลาเราได้เรียนรู้กับพระอาจารย์ภัยสารวิสาโลกันดูแลกดไข้ยอย่างเงี้ยนะคะปลูกให้ท่านตื่นขึ้นมาบ้างท่านก็บอกว่าท่านยังอยากจะนอนอะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ ในภาวะของความเจ็บป่วยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาสิ่งดีๆเหล่านั้นเนี่ยไปให้ท่านได้เพราะว่าตอนนี้ ร, ร่างกายไม่พร้อมแล้วใช่ค่ะร่างกายของท่า น, นยังไม่พร้อมอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่ามันมีจังหวะไหนที่เราจะทํำยังไงบ้างก็ปรึกษาหารือกันนะคะกับพี่ในการที่จะดูแลคุณพ่อว่าแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยคงต้องมีคนนั่งข้างๆเตียงท่านจับมือท่านไว้เพราะว่าตลอดเวลา เพราะเวลาท่านตื่นมาท่านจะขวายควาแล้วท่านจะหาแล้วอีกคนหนึ่งพักอีกคนหนึ่งเปลี่ยนมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วถ้าท่านมีสิ่งที่เราทำขณะนี้อีกอันหนึ่งก็คือพยายามเปิดทาบรรยากาศในในห้องให้มันสบายๆมีเสียงดนตรีเบาๆนะคะให้ท่านรู้สึกว่าท่านผ่อนคลาย แต่ถ้าสูงว่าเอาเสียงธรรมะเข้าไปด้วยบางทีท่านก็บอกว่าท่านยังยังไม่อยากฟังเราก็ต้องต้องยอมอะค่ ะ, ะก็ต้องปิดนะคะก็ดูว่าตอนนั้นจิตใจท่านเป็นยังไงคือรักษาใจของท่านดีกว่าที่จะเอาสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดไปไปให้กับท่านในขณะ น, นั้นแต่ย้อนกลับมาที่ตัวของเราเองเนี่ยมันทําให้เราได้คําตอบที่ชัดเจนนะว่า เราจะดําเนินชีวิตของเราอย่างไ ร, รจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในขณะนี้ อ, อย่างในเมื่อเรายังมีชีวิตยอยู่ยังไม่สายเกินไปครับคือจริงๆแล้วคุณพ่อของอาจารย์น้องดีก็ว่าไปแล้วก็ไม่ได้ห่างไกลจากพระศาสนานะครับก็ยังทําบุญทำอะไรนี้เพียงแต่ว่าการลงไปถึงเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการฝึกฝนตนเองนี่ช่วงนั้นก็อาจจะไม่ได้ทําสักเท่าไหร่อย่างนั้นใช่หรือเปล่าครับ คุณพ่อจะเป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะคะแล้วก็ช่วงก่อนๆเนี่ยสิ่งที่คุณพ่อทําเป็นประจําเลยก็คือท่านจะเปิดอิติิโสตลอดเล ย, ยแต่พอแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติแบบในรูปแบบที่จะให้ท่านมาเดินจงกรมให้มานั่งสมาธิอย่างเงี้ยท่านจะไม่ทําท่านจะบอกว่าท่านทําอยู่ท่านมีสติอะไรอย่างเงี้ยนะค ะ, คะท่านจะไม่ได้ทําตรงข้ามกับ ข, ของคุณแม่คุณแม่ท่านจะเ อ, อ เคลื่อนมือ14จังหวะแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านจะภ า, าวนากระลมหายใจซึ่งตัวนี้ยคุณพ่อจะไม่ได้ทํานะคะพอคุณพ่อไม่ได้ทำพอเรามาเห็นตรงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าท่านบอกเองว่าชั่วโมงบินท่า น, น้อยอ๋อฮะขอบคท่านท่านบอกเองเลยค่ะชั่วโมงบินท่า น, น้อยค่ะครับผมเข้าใจว่าเรื่องเล่าของอาจารย์น้องนี่ก็อาจจะเป็นเป็นข้อคิดนะครับสำหรับทุกๆ ท, ท่านไม่ทราบันนี่ใครมีคุณพ่อคุณแม่ที่กําลัง อยู่ในช่วงสูงวัยบ้างแล้วครับเขก็หลายท่านนะครับเพราะว่าที่นั่งกันอยู่นี่แต่ละท่านก็อายุไม่ใช่น้อยอยู่แล้วใช่ไหมฮะ <c oughs> แล้วในทางกลับกันล่ะครับเราเห็นคุณพ่ออาจจะตอนนี้กำลังฝ่าข้ามความทุกทรมานจากความเจ็บป่วยแล้วในฐานะของคนดูแลแล่ะครับลูกๆที่ต้องเห็นความทุกข์ของคนที่เรารักอย่างนั้นด้วยนะครับ ตรงนี้สมเข้าใจว่าถ้าเราเตรียมตัวมาไม่ดีนี่ไม่แน่มันก็จะเป็นวิกฤตสำหรับคนดูแลด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้เราและตอนนี้ทางครอบครัวข อ, ของอาจารย์น้องเจออะไรบ้างหรือเปล่าครับก็บังเอิญเราในพี่น้องของเราอ่ะนะคะก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพอาจารย์ภพสานวิสาโลได้มาเรียนรู้กับอาจารย์แล้วเราก็ได้เอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาใช้จริงๆในชีวิตประจวาวันของเรา นะคะไม่ว่าจะเป็นอย่า ง, างการทำกิจของเราอย่าง ค, คุณพ่อเนี่ยก็จะคุยกันว่าคุณพ่อต้องการตายแบบไหนนะคะแล้วก็ห่วงอะไรอีกท่านก็จะบอกว่าท่านไม่ห่วงอะไรแล้วนะคะแต่ตอนที่ท่านมีสติอยู่ตอนนั้นนะคะก็คือว่าท่านไม่ห่วงอะไรแล้วเรื่องของเงินทองต่างๆเนี่ยท่านก็ได้ไดจัดสรรแล้ว และได้แจ้สารแล้วแต่ว่าสิ่งที่ท่านท่านยังจมอยู่ในความทุกข์ตอนนี้มันคือความเจ็บป่วยทางกายที่ท่านยังไม่สามารถยอมรับมันได้ท่านยังอยากให้หายหรือให้สบายเพราะฉะนั้นหน้าที่ของลูกๆที่เราจะทำตรงนี้ก็คือดูแลคุณพ่ออันไหนที่ทำให้ท่านได้ให้ท่านมีความชื่นใจเล็กๆน้อยๆเราก็ทำอย่างเช่นว่า ตอนนี้ท่านปอดอักเสบปอดติดเชื้อสิ่งหนึ่งที่คุณหมอห้ามเด็ดขาดเลยคือสูบบุหรี่แต่พ่อบอกว่าพ่อสูบตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆไปเลี้ยงควายพ่อเลิกสูบไม่ได้คุณหมอถามเราว่าพ่อมีแนวโน้มที่จะเลิกสูบไหมเราก็บอกว่าพ่อไม่เลิกท่านก็ท่านก็น เ, ขเข้าใจ เราก็ขออนุญาตคุณหมอนะคะว่าสักสองครั้งได้ไหมที่เข็นคุณพ่อลงจากตึกแล้วก็เอาไปแอบอยู่ข้า ง, างตึกให้ท่านได้สุบุหรี่สักนิดหนึ่งเนี่ยนะคะถึงแม้ว่ามันจ ะ, ะทำให้การรักษาโรคของคุณหมอเนี่ยยากขึ้นแต่ว่ามันเป็นการรักษาใจของพ่อเราอะที่ทำให้ท่าน ได้ทําในสิ่งที่ท่านคุ้นเคยสักนิดหนึ่งแล้วก็คิดว่าเก้าสิบแล้วมันคงไม่ได้ทําอะไรให้มันดีมากไปกว่านี้และบุตรีที่ท่านสูบห้าวันที่เข้าโรงพยาบาลมว้วนหนึ่งมันก็ยังไม่หมดก็ถือว่าเราได้ได้ดูแลจิตใจของท่านครับแล้วก็เหมือนกับที่บอกว่าตอนนี้เราก็จะสังเกตเฝ้าดูแล้วก็ ดูว่าอะไรที่ควรจะทำเพราะเนื่องจากว่าเคยมีประสบการณ์ในการดูแลเตี่ยของสามีซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วเราได้ดูแลทางกายของท่านก็คือให้คุณหมอดูแลทางใจเนี่ยตอนนั้นยังไม่เจอท่านอาจารย์แต่เราคิดเองว่าทำยังไงจะให้ท่านมีความสุขก็<ม> เอาท่านมาอยู่ที่บ้านแล้วก็เตี่ยเป็นคนจีนครับอาจารย์แล้วก็ไม่ชอบไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้เรื่องของธรรมะอะไ ร, รนะคะถ้าเปิดเปิดธรรมะอะไรท่านก็บอกว่าผมไม่ชอบผมไม่ไม่คุ้นเคยนะท่านก็บอกอย่างนี้แต่ถ้าใส่บาตรท่านเคยบวชท่านก็ยอมใส่บาตรแล้วก็ให้คุณให้เตี่ยเนี่ยใส่บาตรทุกเช้าจนกระทั่งท่านลุกไม่ได้จากเตียงก็นิมนต์พระท่านไปรับบาตรถึงที่ที่หน้าเตียง และอีกอันหนึ่งที่เราทําก็คือว่าเราจะทําอาหารแล้วก็ให้ลูกหลานมาวิ่งมัดม า, มาอยู่ที่บ้านให้เหมือนกับว่าท่าน อ, าอยู่ในแวดวงของคนที่ที่รักท่านแล้วเตี่ยต้องใส่สายยางที่จะใส่ ส, า ย, สายอาหา ร, รท่านจะเอาออกตลอดเวลา แล้วเราก็รู้สึกทรมานใจมากเมื่อท่านเอาออกแล้วพยาบาลเอาใส่เข้าไป เ, เสียงร้องอ เ, เสียงอะไรต่างๆมันนั้นเราก็เลยบอกว่าเราผัดกันที่จะอยู่กับท่านตลอด24ชั่วโมงจับมือท่านไว้นะครับไม่ให้ท่านไปดึงไม่ให้ท่านไปดึงแล้วก็คิดค้นว่าจะทำยังไงในการดูแลท่าน พอเมื่อท่านจากไปอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเราก็เป็นอิสระท่านก็เป็นอิสระความสศกเศร้าเสียใจมีอยู่แต่มันไม่ใช่การคล่ำครวนมันเป็นการที่บ้าเราจะทําหน้าที่ตรงนั้นของเราต่ออย่างไรที่จะส่งมอบร่างกายของท่านให้ดีที่สุดพอเราได้ทำอย่างนี้เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าตัวอย่างตรงนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากที่เรารจะต้องมาดูแลคุณพ่อ แล้วเราก็ได้เคล็ดลับวิชาจากครูบาอาจารย์อีกหลายอย่างนะคะที่ที่ในการที่จะมาเยียวยาแต่ในขณะเดียวกันท่านก็คือครูที่ยิ่งใหญ่ที่สอนให้เราว่าเราจะช้าแล้วก็โอเออย่างนี้อีกไม่ได้แล้วเพราะว่าท่านเป็นตัวอย่างบอกว่ายังไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงๆ จ, จังๆพอถึงวิกฤตตรงนี้ท่านรับมือไม่ได้ แล้วเราจะทำอย่างนั้นอีกเหรออันนี้คือครูที่ยิ่งใหญ่ที่คุณพ่อได้สอนเราในภาวะของวิกฤตของท่านนะคะครับแล้วพระอาจารย์ครับแล้วอย่างในประเด็นแบบนี้สําหรับเนี่ยฮะบรรดาลูกๆที่อาจจะวันหนึ่งอาจจะต้องเจอสถานการณ์เหมือแนบบอาจารย์น้องที่ต้องคอยดูแลพ่อแม่ที่อาจจะเริ่มป่วยนะครับเริ่มชาราเนี่ยแล้วบางทีอาจจะไม่ได้เตรียมความพร้อมมานะฮะเรารับไม่ได้กับวิกฤต ป่วยไข้ที่เรากำลังเจออยู่แบบนี้เราจะต้องฝึกตนเองยังไงครับในการที่ไปถึงจุดนั้นจะได้สามารถรเผชิญกับสถานการณ์เหล่านั้นได้ครับอาตมาว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยนะก็คือว่าเขาไม่สามารถที่จะยอมรับความเจ็บปวดหรือทุกขเวทนาทางกายได้อันนั้นเป็นเรื่องใหญ่ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของความห่วงความหวง ทรัพสมบัติคนรักลูกหลานและยังไม่ต้องพูดถึงความไม่แน่ใจหรือความกลัวความกังวลว่าจะไปไหนไอส้สามตัวเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ๆของคนที่ที่ทำให้เกิดความทุกข์ในเวลาป่วยหนักคาะนี้ทำไมชื่อว่าชอบหลายคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาสามารถที่ตัดสามารถที่จะปล่อยวางเรื่องทรัพสมบัติเรื่องครอบครัวเรื่องงานการได้หลายคน เชื่อมั่นในในในสัมประยะพบว่าจะได้ไปดีเพราะได้ทำความดีแต่ว่าสิ่งที่จะเรียกว่าเป็นปัญหาแล้วก็หลายคนเนี่ยสอบตกก็คือการที่ไม่สามารถที่รับมือหรืออยู่กับทุกขเวทนาได้คือความเจ็บปวดนะซึ่งที่จริงเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการเยียวยา ในทางการแพทย์ที่ช่วยได้ในเรื่องของการทำให้ความเจ็บปวดทุเราลงโดยเฉพาะการแพทย์ระที่เรียกว่าประคับประคองพเพลียติดแค่ซึ่งช่วยทำให้เกิดความสุขสบายพอสมควรนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นคำตอบที่จะช่วยได้หมดเพราะถึงอย่างไรมันก็ต้องปวดนะอาจมาคิดว่าคนสมัยนี้เนี่ย ไม่ค่อยได้รู้จักวิธีการที่จะอยู่กับความเจ็บปวดเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลอดชีวิตยพยายามหนีความเจ็บปวดตลอดเวลานะแมจะนั่งสมาธิก็ดีนะแต่ว่าอก็ต้องเรียนรู้ในการที่จะอยู่กับความเจ็บปวดให้ได้ทุกวันนี้เนี่ยปวดนี่ปวดหน่อยก็หนีแล้วมีหมอคนนึงอยู่โรงพยาบาลเอกชนนะแล้วก็ คนไข่เนี่ยมีความปวดพยาบาลเนี่ยซักถามคนไข้ก็รู้ว่าความปวดของเขาเนี่ยมันแค่สองคือสกอร์ของความปวดมันมีสิบคนไข้คนนี้เนี่ยปวดแค่สองแต่แกขอเมอร์ฟีแล้วคือแกคิดว่าฉันอยู่โรงพยาบาลก็ชนนี้ฉันต้องไม่ปวดฉันต้องไม่ปวดและคนทุกวันนี้ก็คิดแบบนี้คือฉันต้องไม่ปวดอ่ะเพราะฉนั้นปวดนี่ปวดหน่อยก็กินยา และสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าไม่รู้วิธีที่จะรับมือความปวดเมื่อมันมันเป็นปวดก้อนใหญ่อธมาคิดว่านี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่ทำอย่างไรเราถึงจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเจ็บปวดได้เพราะว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถจะปฏิเสธไม่สามารถจะผักใสความเจ็บปวดได้เราต้องยอมรับยอมรับความเจ็บปวดแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะปฏิเสธนะและยงไม่มีสติรู้เท่าทันเนี่ย ก็จะปฏิเสธผักไสและธรรมชาติของจิตคือยิ่งปฏิเสธยิ่งผักไสก็ยิ่งยึดติดใช่ไหมเรายิ่งไม่ชอบคําตําหนิเตียนคําต่อว่าดาวทอเราก็ยิ่งนึกถึงมันนะเราเกลียดกลิ่นเหม็นเราก็ยิ่งนึกถึงกลิ่นเหม็นถ้ามือเราไปถูกของเหม็นเนี่ยใช่ไหมเป็นปาราเป็นน้ําปลาเนี่ยเราไม่ชอบมันเหม็นเราก็จะเช็ดเราก็จะถูเสร็จแล้วเราทำงาน ทมาดม<ๆ>เราไม่ชอบเนี่ยเราดมทำไมเสร็จ<ๆ>แล้วก็ล้างอีกแล้วก็มาดมอีก<ๆ>ยิ่งผักใสก็ยิ่งยึดติดดงนั้นยิ่งปฏิเสธความปวดเนี่ยมันก็ยิ่งจิตมันก็ยิ่งจมปักติดพลึงอยู่ความปวด<ๆ>สติสำคัญตรงนี้สติทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะถ้าพูดภาษาพระด้วภาษาธรรมเห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดนะตรงนี้เนี่ยหลายคนเนี่ย ไม่รู้วิธีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหนีความปวดตลอดเวลา mm hmm. แม้กระทั่งนักปฏิบัติธรรมจนไม่น้อยเนี่ยก็พยายามหนีใช่ไหมโดยที่ไม่รู้ว่าถึงจุดหนึ่งคุณหนีไม่พ้นคุณจะต้องอยู่กับมันมันคือความจริงและคุณจะอยู่กับมันได้อย่างไรอาตมาคิดว่าเนี่ยถ้าเราภาวนาและเราสามารถที่จะเจริญสติจนสามารถที่จะเห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดได้มันเป็นวิธีนะั้นที่ทําให้เราอยู่กับความปวดได้โดยที่เราไม่ทุกข์ คือทุกกายแต่ใจไม่ทุกนะฮะซึ่งตรงนี้อาจารย์กำพลเนี่ยเป็นเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะว่าท่านภาวนาจนถึงจุดที่เรียกว่าพบว่าแท้จริงเนี่ยมันเป็นแต่กายที่การแต่ใจไม่ได้ที่การด้วยการจรุลสติทําให้อาจารย์กำพลเห็นชัดเลยนะว่ากายที่การแต่ใจไม่ได้ที่การด้วยแต่ก่อนที่มองไม่เห็นพราะไปคิดว่าฉันพิการฉันพิการ มันมีแต่ตัวฉันตัวกูที่พิการแต่ว่าพอปฏิบัติภัยเนี่ยมันเห็นเลยนะว่าที่จริงเนี่ยพิการเนี่ยคือกายไม่ใช่ฉันพิการพอเห็นตรงนี้เนี่ยท่านกบ็บอกจิตเราจะาพาพิการทางกายเลยนะอันนี้เป็นเพราะการเจริญสติแน่นอนหลายคนจะบอกว่าโอ้ฉันปฏิบัติได้ไม่ถึงอาจารย์ก็กพลหรอกแต่ว่าถ้าคุณเจริญสติเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้คุณอยู่กับความเจ็บปวด โดยใจปกติได้อาตมาพาคนไปเดินธรรมญาตาทุกปีเนี่ยเพื่อพาคนเนี่ยไปเจอกับความเจ็บปวดพาคนไปหาความทุกข์ทุกข์เพราะแดดร้อนทุกข์เพราะทางมันลําบากใช่ไหมเพื่อจะได้เรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับความทุกข์โดยใจไม่ทุกข์กายร้อนใจไม่ร้อนทําอย่างไรกายปวดใจไม่ปวดทําอย่างไรกายเหนื่อย ก็เหนื่อยแต่กายใจเบิกบานทำอย่างไรหลายคนบอกไปตากแดดไปไประบายฉันไม่ไปฉันขอนั่งสมาธิอยู่ในห้องแอร์ได้ไหมก็ได้แต่ว่าถ้าคุณหนีความปวดอยู่เรื่อยไปเนี่ยคุณจะไม่รู้ว่าจะอยู่กับจะอยู่กับมันได้อย่างไรโดยใจไม่ทุกข์แล้วจริงๆเราสามารถพ้นทุกข์ด้วยความสุขได้ไหมครับอาจารย์ราผมเห็นบางคนผมเห็นบางทีคนเราก็จะรู้สึกว่าเวลาสุขใจแล้วมันก็ดูเบาๆสบายดีเนาะ พวกนี้มันสามารถพาให้เราไปพ้นทุกได้ไหมครับพระอาจารย์ครับคำถามนะครับแลวจริงๆเราสามารถพ้นทุก์จากความสุขได้ไหมครับพระอาจารย์เพราะว่าบางคนบอกว่าเวลาเจอความสุขมันก็ดูสบายๆดีนะมันก็ดูเบาอะไรตัวดีฮะมันนำเราไปสู่การพ้นทุกได้ไหมครับโดยที่เราไม่ต้องไปลำบากตากตำเนี่ยฮะ ความทุกข์เป็นธรรมดาของชีวิตนะและในเมื่อเราต้องเจอมันนะเราต้องรู้จักที่จะอยู่กับมันให้ได้ผู้เจ้าเนี่ยเอาสอนว่าทุกข์เนี่ยเป็นข้อแรกของอริยสัจสี่ทำไมฮะทำไมถึงยกเอาทุกข์เป็นข้อแรกของอริยสัจสี่ เ, ป เ, ปออ 4? เพราะว่าะทุกเนี่ยมันเป็นประตูไปสู่ความจริงอีกสามข้อที่เหลือคือสมุทยัยนิโรธมรรค ถ้าเราเกี่ยวข้องกับทุกเป็นเราก็จะผ่านไปเห็นสมุทยัยเราก็จะเข้าถึงนิโรธด้วยการจเจริญในองค์มรรคเราจะเกี่ยวข้องกับทุกอย่างให้ถูกต้องได้อย่างไรด้วยการกำหนดรู้ <c oughs> กำหนดรู้ในที่นี้ท่านใช้ว่าปริญญาปริญญาก็แปลว่ารู้รอบไม่ใช่แปลว่าเพ่งทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะรู้จักทุกได้อยังไงถ้าเราหนีทุกใช่ไหมความสุขที่คุณประสานพูดเนี่ยนะมันเป็นความสุขกายมากกว่านะแล้วมันเป็นความสุขที่ไม่ทำให้เราได้เห็นถึงตัวหรือเข้าถึงสัจธรรมอย่างแท้จริงถ้าหากว่าสุขเป็นของจีรังยั่งยืนก็ควรจะเอาสุขเป็นสราระ แต่เราก็ทราบใช่ไหมว่าสุกโดยเพราะสุกกายที่เราที่ผู้คนแสวงหาพวกนี้ไม่จีรั ง, ย, งยั่งยืนใช่ไหมฮะในเมื่อมันไม่จีรั ง, ย, งยั่งยืนเราจะเอามาเป็นสาระได้อย่างไรใช่ไหมฮะจริงๆผู้เจ้าก็ตรัสนะว่าจะเข้าถึงความสุขได้ต้องใช้หนทางความสุขอันนี้ผู้เจ้าเนี่ยเคยเคยเคยสนทนากับนิครณ นิคนก็บอกว่าเอวงั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ต้องเป็นผู้ที่มีความสุขกว่าพระเจ้าสิ mm hmm. เพราะพระเจ้าพิพิสารมีลาบมียศมีสุขนะมากมายยิ่งกว่าพระเจ้าพรนะเจ้าก็บอกว่าจริงเหรอที่พระเจ้าที่พระเจ้าพิพิสารมีความสุขพระเจ้าพิพิสารเนี่ยสามารถจะนั่งอยู่นิ่งๆโดยไม่ขยับได้ไหมเจ็ดวันก็ไม่ได้ หวันล่ะก็ไม่ได้ห้าวันล่ะจนถึงหนึ่งวันก็ยังไม่ได้เลยและจะเล่าพระเจ้าพิมพิสารมีความสุขได้อย่างไรใช่ไหมฮะพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทำได้นะก็เพื่อเพื่ที่จะเชืว่าผู้เจ้ามีความสุขกว่าพระเจ้าพิมพิสารเพราะความสุขเนี่ยมันแสดงออกด้วยการที่สามารถจะอยู่นิ่งได้ในการที่กระสับกระส่ายเนี่ยมันแสดงว่าไม่สุขจริงใช่ไหมฮะและที่ไม่สุขจริงก็เพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ย ก็ยังติดอยู่ในการมาสุขอเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อติดอยู่ในการมาสุขการมาสุขที่ว่าก็ไม่สามารถเทียบพาไปถึงความสุขที่แท้จริงได้แต่สิ่งผู้เจ้าแต่ผู้เจ้าชี้ให้ว่าพระองค์เนี่ยเข้าถึงความสุขและความสุขที่พระเจ้าเข้าถึงเนี่ยเป็นเพราะวิถีแห่งความสุขนั่นคือมัคคิยงแปดนั่นคือสมาธิภาวนาแล้วสมาธิว่าเวลาเราพูดถึงความสุขเนี่ยเราต้องเข้าต้องแยกต้อง ผู้เชา่ยว่าเราพูดถึงสุขอะไรใช่ไหมฮะและสุขนัน้นเป็นสุขจริงไหมนะแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องถ้าปฏิบัติธรรมอย่างถึงที่สุดก็ต้องพบว่าแท้จริงแล้วทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งนั้นอาตมาคิดว่าตรงนี้หลวงพ่อปรมโอคงได้พูดไปแล้วครับว่าถ้าปฏิบัติจริงอย่างแท้จริงเนี่ยทุกอย่างมันทุกข์ทั้งนั้นเมื่อเห็นทุกเมื่อทุกอย่างเมื่อเลว่อทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งทั้งนั้นมันก็ไม่ยึดมันก็ปล่อยก็วาง แต่ก่อนเคยคิดว่าสิ่งที่เราถือเนี่ยนะมันเป็นทองแต่วันหนึ่งเราพบว่าสิ่งที่เราถือมันเป็นขี้เราจะถือต่อไปไหม <laughs> ถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราถือเนี่ยนะมันคือดอกไม้มันคื อ, อ, คอสิ่งที่สวยงามแต่ถ้าวันหนึ่งเราพบว่ามันคือฐานก้อนแดงเราจะยังถือต่อไปไหม <laughs> mm hmm. ก็วางนะพระธรรมคิดว่าเนี่ยอ่า <h ye a> อันนี้คือเหตุผลว่าเมื่อที่หลวงพ่อาเขียนนั่พูดวเนี่ยเมื่อเห็นทุกก็คนทุก์พ่อเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกขทั้งนั้นเนี่ยมันก็วางแค่นั้นเองเมื่อวางก็คนทุกตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องการเห็นความจริงในระดับเรียกว่าวิปัสสนาแล้ะซึ่งถ้าเกิดว่าเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็ยังเห็นกงจักเป็นดอกบัวอยู่หมายความว่ายังเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขยังเห็นฐานก็อนแดงๆว่าเป็นของสวยของงาม ที่ให้ความเย็นใจครับความสุขใจนั่นแสดงว่าวันหนึ่งถ้าเราเจอความทุกข์มากๆเราเราก็ไม่ควรมองมันอย่างชิงชังรังเกียจแต่เราควรมองว่ามันน่าจะเป็นโอกาสหนึ่งนะครับในการที่จะทําให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะครับอาจารย์ใช่อานะจามาถึงบอกเนี่ว่าทุกเนี่ยนะมันสอนทําเราให้เราให้แกเราได้ถ้าเรามองเป็นแต่ส่วนใหญ่ไม่มองนะคือเข้าไปเป็นเลยเจอทุกเนี่ยเป็นทุกเลย เธอเตัวไปคลุกกับมันเลยใช่ไหมครัครูบาอาจารย์สอเจอทุกต้องเห็นทุกอย่าเป็นทุกหลวงพ่อขวัญเขียนบอกว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นอันนี้รวมถี่ว่าเห็นทุกอย่าเข้าไปเป็นทุกใช่ไหมถ้าเราไม่มีสติเราจะเข้าไปเป็นเป็นผู้ทุกข์แต่ถ้าเรามีสติเราจะเห็นทุกอืนะเราเห็นทุกเราก็จะเห็นว่ามันทุกข์พอยึดติดถือมั่นใช่ไหมและเมื่อเห็นตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นมันก็จะปล่อยมันก็จะวางได้ ได้เองหรือนำไปสู่การปล่อยวางในที่สุดครับประเด็นสำคัญอยู่ที่การเห็นนะไม่คว่ไปเป็นดั้นที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยทุกเป็นสิ่ต้องรู้เนี่ยปริญญาเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคุณต้องเห็นเมื่อเห็นคุณจะถึงจะรู้แต่คุณจะเห็นได้อย่างไรถ้าคุณหนีทุกตลอดเวลาถ้าคุณหันหลังให้ทุกคุณจะเห็นทุกได้อย่างไรคุณต้องหันหน้าไปเผชิญกับมันคุณถึงจะเห็นทุกใช่ไหมอาจารย์กําพลถึงบอกเนีว่าขอบคุณความทุกเพราะว่า ความทุกข์ทำให้เห็นทางคนทุกข์ใช่ไหมเมื่อรู้จักเมื่อเจอทุกข์ก็รู้จักทุกข์เมื่อรู้จักทุกข์ก็เห็นทางคนทุกข์ได้ครับตอนนั้นเนี่ยมำไมที่ว่าจะ ก, กลัวทุกข์นะหลายคนกลัวปีชง <c oughs> กลัวปีชงเพราะอะไร <c oughs> เพราะกลัวจะเจออ น, นิถารลมเจอเจอโน่นเจอ น, อ น, จอนี่เจอเจ็บเจอป่วยเจอความสูญเสียไม่ต้องกลัว <c oughs> ใช่ไหมเพราะนั่นแหละ คือสิ่งที่ธรรมชาติประทานมาเพื่อให้เราได้เห็นธรรมเมื่อเจอทุกข์ถึงจะเห็นธรรมรนะถ้าเจอสุขแบบที่หวังเนี่ยไม่มีทางเห็นธรรมนะฮะมันก็ยังอยู่ในวิชาเพราะฉะนั้นเนี่ยชาพุทธเนี่ยไม่กลัวปีชงฮะใช่ไหมเพราะว่าเรามีเรามีเครื่องมือในการที่รับมือความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยความสูญเสียใช่ไหมแล้วเราก็ถ้าเราศึกษารพระธรรมก็จะพราบว่า พระอาหารหันต์จำนวนมากเนี่ยท่านบรรลุธรรมตอนจะตายเนี่ยรแล้วแต่เจอทุกข์หนักๆทั้งนั้นใช่มฮะเจอเสือกัดตายเจอเจ อ, อเจอไฟครอบหรือว่าเจอทุกข์ที่เจอเป็นโรคที่สังคมรังเกียจแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยนันมันคือตัวที่กระตุน้นกระตุกจิตให้เห็นธรรมจนพ้นทุกข์ได้ ทุกเนี่ยมันคือตัวเลขให้เห็นธรรมและเมื่อเห็นธรรมก็จะพ้นทุกเพราะฉะนั้นที่ครูบาอาจารย์ทัานบูวอยู่เสมอว่าเจอทุกเนี่ยมันเห็นธรรมแต่จะเจอทุกได้ต้องเจอเป็นเจอด้วยสติด้วยปัญญาคเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวปีชงนะครับ เพราะว่าผมนี่เป็นคนหนึ่งที่ช่วงปีใหม่ก็ใช้เวลากับหมอช้างไปเยอะพอสมควร <c oughs> ในการที่จะไปอ่านว่าที่ปีนิรศรีเราลุ่งขนาดไหนอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอบพระคุณพระอาจารย์ครับที่ให้สตินะครับ <c oughs> ผมยังเหลือเวลาประมาณสักสิบนาทีครับคงเป็นคําถามสุดท้ายสําหรับพระอาจารย์ครับก็ ค, คือว่าผมเข้าใจว่าเรื่องราวของอาจารย์กรรมผลนี่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจได้อย่างดีสําหรับผู้ปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่สนใจธรรมะแล้วก็เป็นคาราวะาด้วยเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์กําพลแสดงให้เห็นนี่ก็คือไม่ใช่เป็นเพียงแค่คาราวะาที่ฝึกฝนตนเองจนหาทางที่จะพ้นทุกข์เท่านั้นแต่ยังเป็นคนพิการที่เรียกว่าโดยสถานภาพโดยกําลังนี่ก็ยังยังด้อยกว่าด้วยนะครับถ้าพูดอย่างนั้นก็ว่าได้ตรงนี้อยากให้พระอาจารย์พูดในประเด็นนี้นิดหนึ่งครับว่าในเมื่ออาจารย์กําพลนี่เป็นเสมือนกับต้นแบบให้กับ คนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราได้นี่พวกเราควรจะมองสิ่งเหล่านี้อย่างไรแล้วต้องเร่งมือเร่งทำอย่างไรบ้างครับอาจารย์กาพลตอนนี้ก็มาถึงจุดสำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตเพราะว่าเจ็บป่วยด้วยโรคมะเรง็งนะตับแล้วก็ซึ่งอาจจะรักษาไม่ได้แล้วก็มีทุกขเวทนาพอสมควร แต่ใครที่ไปเยี่ยมอาจารย์กัมพลก็จะสัมผัสได้ถึงความเบิกบานความแจ่มใสอาจารย์กัมพลแฮปปี้ยิ่งกว่าทำไมนะเวลาตามาจะไปเยี่ยมอาจารย์กัมพลเนี่ยนะทำไมทําได้อย่างไรนะท่านก็มีเคล็ดลับอยู่สามข้อนะที่ท่านได้พูดเอาไว้คือหนึ่งยอมรับความจริงดีย๋ยวรับความจริงว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายไม่ปฏิเสธไม่ผักใส เป็นเป็นธรรมชาติสองยอมรับความเป็นไปหมายถึงว่าโรงพยาบาลเนี่ยเมื่อรักษาไม่หายมันก็อาจจะในสุดก็ต้องตายก็ยอมรับยอมรับความเป็นไปในที่นี้คือคือยอมรับถึงความสุดความเสื่อมสุดท้ายยอมรับความตายสข้อเนี่ยธารมคิดว่าสําคัญนะยอมรับความจริงยอมรับความเป็นไปแล้วยอมรับความตายเอาคนที่ป่วยหนักนะธรรมาคิดว่านอกจากยอมรับความเจ็บป่วยแล้วเนี่ย ก็ต้องยอมรับด้วยว่าวิธีของโลกมันจะพาไปไหนซึ่งอันนี้ต้องก็ต้องใช้ข้อแท้จริงต้องอาศัยสติปัญญาและที่3ามก็คือยอมรับความตายที่จะเกิดขึ้นถ้าว่าเรายอมรับสามประการนี้ได้เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ความทุกข์นะมันก็ทุกแต่กายแต่ว่าความทุกข์ใจก็จะบรรเทาเบาบ า, บางลงอันนี้เรียกว่ายอมรับด้วยปัญญานะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยอาจารย์ กรรผลเนี่ยตมาคิดว่าท่านมีปัญญาที่เห็นไปมากกว่า น, นั้น mm hmm. ก็คือเห็นว่าแม้ที่จริงเนี่ยทุกเนี่ยก็คือทุกกายแต่ว่าใจไม่ได้ทุกด้วยท่านมองเห็นความจริงว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีเรามันมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจคนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถจะเห็นความจริงตรงนี้ได้ถึงแม้ว่าจะเห็นก็เห็นด้วยความคิดแต่ว่าใจมันไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเวลาป่วยเนี่ย ก็จะสำคัญมันหมายว่าฉันป่วยกูป่วยเวลาเจ็บก็จะมีกูเจ็บตลอดเวลาแต่ใจกำพลนี่ท่านเห็นนะว่าไอ้ที่เจ็บนี่คือกายเจ็บกายปวดแต่ว่าใจไม่ได้ปวดด้วยไอ้การที่เห็นความจริงว่ามันมีแต่รูป ก, กับนามมันไม่มีไม่มีเราไม่มีของเรามันมีแต่รูป ก, กับนามเนี่ยสำคัญมากนะมันจะเป็นตัวที่ช่วยทําให้สามารถที่จะเจ็บเนี่ยมันหลุดพ้นสลัดความทุกข์ออกไปได้ มันก็มีแต่ความทุกข์กายแต่ใจไม่ทุกนะการเห็นความจริงของรูปแระนามไม่มีเราอันนี้ธารมเที่สำคัญมากซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็จากการปฏิบัติหรือจะเห็นความจริงในระดับที่เป็นในระดับที่เป็นอย่างที่ท่านพระสารีบุตรใช้เขาว่าการไม่ยิดว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นเราของเราก็ได้อันนี้ก็อธิบายสักหน่อยนะก็คือว่าอย่างที่ธรรมะได้พูดตอนต้นว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเยี่ยมนคกกุลบิดาซึ่งป่วยหนักพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าท่านพึงสําเนียกว่าแม้กายป่วยแต่อย่าให้ใจป่วยแม้กายถูกลบกลุมเลาแต่อย่าให้ใจถูกลบกลุมเลาด้วยนคกกุณบิดาก็มีความปิติชื่น แต่ก็ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรทำได้อย่างไรก็ไปปรึกษาพระไตรปุฎพระไตรปก็อธิบายว่าถ้าหากเป็นอยู่โดยไม่สำคัญมันหมายว่ารูปเป็นเราเป็นของเรานะเมื่อใดก็ตามที่รูปแปรปรวนก็จะไม่มีความโศกไม่มีความข่าครวนไม่มีทุกข์ไม่มีโทมนัสไม่มีความขับแยนใจก็คือใจไม่ป่วยอันนี้กหมายความว่าการเห็นความจริงว่า ไอ้รูปนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็คือความเข้าใจเรื่องอนัตตาถ้าเราเข้าใจเห็นความจริงตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้จิตปล่อยวางความทุกข์ไม่เอาความทุกข์ของกายมาเป็นความทุกข์ของใจได้อธมาารช่วยเวลาพูดถึงการปล่อยวางเนี่ยมันปล่อยวางได้หลายระดับปล่อยวางด้วยสติก็ได้ก็คือว่าเมื่อใจใจใจเกิดความเกิดโทสะเกิดความอาการผักใส มันดิ้นมันปฏิเสธก็เห็นใจที่ดิ้นปฏิเสธนั้นเมื่อเห็นเนี่ยมันก็จะวางได้แม้กายปวดมันก็ปวดแต่กายนะแต่ใจไม่ปวดเพราะว่าใจเมื่อยอมรับมันก็ความทุกข์ความทุกข์ใจก็น้อยลงหรือเห็นด้วยปัญญาอย่างเทตมาพูดนะเห็นความจริงว่าที่จริงแล้วมันไม่มีเรามันมีแรูปกับนามหรือเห็นความจริงว่าไอ้รูปใบหนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณหรือเฉพาะตัวรูปอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างที่พระไตรปิฎกท่านพูด ปล่อยวางยังสามารถจะทำด้อะไรอย่างนะปล่อยวางด้วยด้วยสมาธิก็ได้นะฮะ อ, ะอาจารย์กําพลท่านไม่ได้ไม่ได้หนักไปทางนั้นแต่ตามาคิดว่าสำหรับหลายคนเนี่ยสมาธิมันก็ช่วยได้คุณหมอมารามลีลาเคยเล่า ว, ว่าเคยไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์อายุสี่สิบแนั้นเองปรากฏว่ามะเร็งมนลามไปถึงกระดูกแล้วแล้วก็ปวดมาก คนไข่เนี่ยนะปวดจนกระทั่งขอเมอฟินตลอดเวลาหมอเนี่ยฉีดให้ทุกสามชั่วโมงคนไข้ก็ยังปวดขอให้ขอให้ฉีดทุกสองชั่วโมงได้ไหมหมอให้ไม่ได้เพราะว่ามันมากไปแล้วเมื่อให้ไม่ได้ก็ปวดปวดจนเรียกว่าอา่าเหงื่อเนี่ยเม็ดโตโตปากนิซซีนะนั่งไมน่นอนไม่ได้ต้องนั่งนะคุณหมอเมร่าก็ชวนคุณหมอเนี่ย คนไข้คนนี้ทาสมาธิคนไข้นียไม่เคยทําสมาธิทํำยังไงคุณหมอก็แนะนําว่าคุณหมอมาลาก็แนะนําว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรออกจิตกําหนดอยู่ที่ลมหายใจคนไข้ก็ลองทําดูคนไข้ไม่เคยทํานะคุณหมอมาลาคิดว่าทําาห้านาทีก็คงไม่ไหวแล้วทีแรกคนไข้เนี่ยหายใจเนี่ยหายใจด้วยความเสียงมันบอกถึงความหอบเหนื่อยแต่พอทําไปได้สักพักเนี่ยจิตเริ่มสงบ 5า้ า, น า, น, านาทีผ่านไปก็ยังนั่งสมาธิอยู่สิบนาทีผ่านไปก็ยังนั่งสมาธิปรกวานั่งถึงสี่สิบ้านาทีแล้วก็ปรกว่าพอนั่งเนี่ยพอออกมาเนี่ยออกจากสมาธิเนี่ยแจย่มใสเมเ็ดเหงือเนี่ยเมตต็ดโตๆหายไปเลยปากเป็นสีชมพูความปวดทุเราลงไปอย่างมากไม่ต้องการมอฟีนแล้วแล้วผมกาอาศัยสมาธิภาวนาทำเนี่ยปรกกว่า จากเดิมที่ขอมอฟีทุทกสองชั่วโมงซึ่งหมอให้ไม่ได้เนี่ยในสุดเนี่ยวันหนึ่งก็แค่สองครั้งนั้นน่ะจากการขอ7 8ตกครั้งเนี่ยวันมอฟีเนแค่สองแค่วันลาสองครั้งก็พออันนี้ตมก็คิดว่ามันก็เป็นการปล่อยวางแบบนปล่อยวางด้วยสมาธินะฮะงนั้นการปล่อยวางเนี่ยนะมันทำได้หลายอย่างนะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยนะการใช้สติและปัญญานเนี่ยจะช่วยทำให้เราแม้จะป่วย หรือปวดกายนะแต่ว่าใจไม่ปวดก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการฝึกอยู่เสมอการภาวนาอยู่เป็นประจำอาศัยความความขัดใจอาศัยสิ่งที่เป็นอนิจธารมเนี่ยมาฝึกให้เรารู้จักปล่อยรู้จักวางด้วยสติหรือว่าถ้าเราทําสมาธิภาวนาเป็นประจำมันก็จะสามารถที่จะมีปัญญาเห็นความจริงรูปหรือนามหรือเห็นความจริงว่า จริงแ ล, แล้วคนเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทั้งนั้นการในความจริงแบบนี้เนี่ยก็ทําให้ใจมันปล่อยวางได้หรือใจยอมรับได้ดอาตมาจ ร, จริงๆนั้นเนี่ยคำว่ายอมรับเนี่ยมันปล่อยวางในตัวนะถ้ายอมรับเนี่ยแค่ยอมรับได้มก็ปล่อยวางในตัวมันไม่ใช่คนละเรื่องถ้าอยา <c oughs> อมรับจริงๆเนี่ยนะใจมันไปดูเบีขาเมื่อเป็นอุเบีขาเรามันก็ปลอ่อยตรงข้ามถ้าผักสายพื้นยึดติดนะถ้าเราปล่อยทุกอย่างก็สามารถจะวางทุกสิ่งได้ แต่ถ้าเราผักใสมันก็จะยิ่งยึดติดมากขึ้นาการที่เราจะฝึกใจให้ยอมรับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องอไม่ใช่ว่าคิดจะเอาแต่ว่าต้องต้องฝึกด้วยใจของเราอยูบ่บบอลขอบพระคุณครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ฟังพระอาจารย์พูดในวันนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์แล้วผมเชื่อว่าอาจจะเป็นแรงบันดาลใจรวมถึงเป็นแรงกระตุ้นด้วยก็ได้นะครับที่จะทาให้เรา เร่งรีบแล้วก็รุดปฏิบัติแล้วก็เร่งทํานะครับเพราะว่าถึงตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องของตัวใครตัวมันแล้วใช่ไหมครับต่างคนต่างต้องพึ่งตนเองกันด้วยกันทั้งนั้นนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังดีแรงทําอยู่ก็ต้องรีบรีบลงมือทํากันนะครับวันนี้ก็คงจะต้องครับขอกราบน้ำมศการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์น้องนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้อาจารย์น้องในการดูแลคุณพ่อด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกราบพระอาจารย์พร้อมๆมกันนะครับ